พระธรรมเตศนาจากดกเรื่องสังสินธนูใจผูก8ปดเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปรียธรรม6กประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสมสัมพัทตสังโฆ เป็กลมารังปาริวาราณิตปานาปากเรหิตังตาเสกทวีสรทวอดุราสัพุริตาตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทามีสัทธาเก่าเป็นพาทาน จุงมานาสิการทวนทีเราจากจีจากใครลำดับไปติดต่อเมื่อเจ้าน้อย น, อ, ยนอสินธนูใจเดินดงไพราปากกว้างไปรอดคางด้วยลวงจุมปันปวงผีปาใจหยาบจ้าธร ร, ริดที่นำแต่ใส่เนระมิดในนาน า, นา เขาก็มาแหวจ้าตั้งหนุ่มเทาหญิงาจพอตัวายการโกงเขียวงางงมเหมือนมูพอสองหูยันใหญ่ต้องปอกไกปูนกัวพ้องไข่หัวยี่เขียวหนวดบิดเบี้ยวไปมาพองเมืนตาเข้าใส่ดังแมวใหญ่หันนัว้องถือทะนูนาม และหอกใหญ่คมบางเกิดความตั้งไตเติลบ่อคือเจ้าเตี้ยวไปพ้องจำไอโคข้างพ้องดาปากกลับๆมายากินตับแต่ใส่พ้องหลอกกลิ่นใหญ่ยาวว่าผมหัวหน้างอถือดาบถอดดาฟันเข้าเอากันแวดเฝ้าบ่ออาจเข้าฟันแตง ้าเสียงแข่งหยาบจ้าว่ามึงจักกว่าไปไหนสั่งมีใจหัดเท้ามาหลวงดาวแดนตัวบ่อยอมจูงไงใดจักเอาเลี่ยงใสกินซุมเขาก็รุมเลือนเขาเปืือจักคาเจ้าเอากินายดารินหน่อไทยหันซึกใหญ่เดือตัวเจ้าบอกกวสักยาด เตเกิดขวาดในใจว่าจุ้มพงไพผีปากันคู่คามันตายบาปกำไลบ่อน้อยจักจ้องห้อยตัวจนเ <c oughs> อตารนร้อนไมตกอยากไรไปหลังดอปุดทั้งเกิดแล้วก็เอาธนูแกวเตรียมใจหนิงขึ้นไปบนฟ้า <c oughs> บ่ได้จ้าบตรเดียวตัวดงเขียวเถื่อนทองเสียงสนั่นกองตังตั ง, ตงดอยผาปังสะสู่ไม่ล่มรูเป็นสายจุม่มผีภายหาาัดเท้ากอล่มเต้าเป็นกอง <c oughs> พ้องหัวป้องแตกบางเลือดย่อยคางไหลลามเขายินขามแต่ไสลวดน้อมใบคอขามาว่าขวาแด่เจ้าบุญนากินกู้ ข้าบอกหูริดที่อบุญมีเจ้าจ้างอย่าได้มังเทตาจุงคุณนาวางปล่อยเฮข้าน้อยยิ่งใจ <c oughs> ปนตั้งตายจูโฟขอเจ้าอยู่เป็นภาญาแม่นเจ้าบุญนาไข่กว่าไปสู่ป่าเดนใดข้าจักไข่บอกเล่าเฮแก่เจ้าตามมีจรินา เหมือนนั่นสินทานุใจดอลาฟังพี่ป่าจะคานมีใจบ้านจ่นจ้อยจริงตอบถอยกำไยว่าเราจากไปบ่อยุดจะเข้าสูด่ดงนาเปืือต้วหาอาไทายอันยักบาบใบกุมพันอุมอ้มเอาพันนี่กว่า มาสู่ป่าดงด้านหึงเมื่นดานแต่เหล่าแม่นสู่เจ้าตั้งลายตั้งยิงใจเท้าเท่าได้หูขขายินมาจุงไขาจาบอกแจ้งหื้อหูแห่งตั้งไปแดเตอร์าวันตินั่นจุมพงพายพี่ป่าตอบเจ้าฟ้าบุญพายว่าข้าตั้งลายจู่ผู้หากได้หูยินมา ว่ายักษ์ขาตัวใหญ่อยู่ตีไก่เข้าอยู่กันทอนตั้งเตี้ยวจอนไก่หดหลายรอยหยดกันนากันมหาราชเจ้ามาไก่เข้าดวงไรจุงจากไปสื่นาบุบุญป่าดวงตันจากไปหั่นต้นไม้มีดอกไม้เหมือนคน <c oughs> จือนารีพลจื่นจ้อยดังสาวน้อยนารีองกาบีล้วนทวนเลื่ออ่อนอ้วนข่าวใสแต่หาใจบ่ได้หอยหยอดไว้เป็นสายมีมากลายบ่อน้อยดังมัดหอยใหญ่ใยา่กินหอมไก่ตัวหองพับเขตต้องดงดอน ติพัญาอนหนุ่มเทามาอยู่เฝ้าเห็นกันดอกได้หันกี่อาจักภาคนาลงไปเ <c oughs> <c oughs> ขาเร็วไว้รับไว้เป่ามนไสสับ ป, ปัญจแพพันตันบาตเป็นน้อยนาฏนารีวิญญาณมีบังเกิดงามล่ำเลิดเลือดใจ แล้วนำไปสู่ห้องตีเขตต้องเมืองเขาตนอง์เล่าผ่านแพวไปรอถแล้วหากจักขันยินสำคัญลายหลากแต่ดันผากก็ไปลัดดงไพรจะใจจักปะยักใหญ่สี่ตนมีรีพนอ่านหมื่นหน้าบอดจื่นสักยาม หอเงินจำเป็นหมูใหญ่หน้อยโ ย, โยแกมกันมูเขามันนั้นเหล่าใจมวนเศร้านำนามีเตจ้าอาจกาไตปืนฝ้าบ่อินกัวกันเจ้าเหนือหัวไปรอเตียงได้ต่อ ต, อตาหันยกักดงตันบวนหมูจักหลังลูมาหาแม่นราชาเงาไทยรบภผพได้มีใจ ก่อยเต้วไปไปนาบอนเดินจะาหึงนานจะคันสาธานภาสาดแห่งอนุราชยักขาอันเป็นผาตาปีเก่าแห่งยักษ์บาเศรากลุ่มพันส่วนตัวมันอนุราชนอนไหนนอนในภาสาดใส่เสีนานสามปีจิงตื่นกันมันจื่นดีมา ก็สแสวงหาสัตว์ป่าคบกับกว่าคกนกินกันจอมนารินหันแล้วยังพ่า ส, าสัตว์แกววันไว้ก่เอยเตี๋ยวไปไปนาหลอดลัดป่าดงไผ่ห่นตั้งไก่แต่โสดเป็นแต่โคดหินพาริมป ป, ป, ป, ปตาดอยใหญ่มีจือไว้ว่าอยู่กันทอน ก่อยเตี้ยวจรและพอจักหันจอดวงปีใสงามดีสองตองตัวแห่งห้องแดนดงหากเป็นโค้งภาษาดแห่งยักษ์หาวหาดกุมพันผู้ไปพันลักไดเอาอาไทยนีมานันและนา จุมพงพายพี่ป่าบอกเจ้านอลาบนขวางฮื้อหูต่างจักไตเข้าป่าไม่ดงไพรฮื้อหันใสแจ้งทีบอมีตีสังกาโนปุธาเป็นเจ้าก็ตานเหลากำวานลาหมู่มันพี่ป่าแล้วก็คว้าเตียวไปก็มีหันและนา มหาสตออันว่ามหาสัจเจ้าลัดป่าเ้าดงดำไปตามคำพี่ป่าบ่อแวกกว่าตั้งใดเรียบเรียวไวบ่อจอดก่อไปรอดไหมานารีพลดอกเหมือนคนสาวน้อยงามอ่อนอ้อยปุ่นดู <c oughs> เจ้าบุญจูดอไทยเข้าไปไกลรุกคาหันบุพพาดอกซอยบานหอยย้อยดูงามแม่นยิงรามอ้วนอ่อนงามจะจ้นใส่สีลักคณาดีองอาจเกี่ยวก้อมว่าตีนผมลำข้อกลุ่มการป้องแก่งไกวล่องตามลม บุญดีจมใจน้อยดาจื่นจ้อยเจยบ้านเต้าว่าหาวิญญาณบ่ได้กินหอมควายดงรีเจ้าบุญมีน้อยหนอยั่งจอดพอบุพพายินสังกาลายลากันถ้าหากเอาใจบ่อไข่ไก่กาผากบ่อไข่จากลานีหันนาีิดอกไม้เจ้านอไทยสินธนูใจ มีหัวใจปันกว้างบ่อไข่อ้างล้านีก็มีหันเลยนะตาตาในกาละนันไส ย, ยังมีคุณใหญ่ติปพญทรรีบลัดจรไว้วาดจากอากาศไปบนลงไพสนป่าไม้ตีจิมไกบุพภามันสัตตาเลงพอหันเจ้าหนอสินทนุใจ นั่งอยู่ในตีไกมันโคตรไม่นำนาถือดาบมาบอดจ่าเพื่อจักคาหนอโพธิญาณ <c oughs> ส่วนพระผู้บ้านหนอเต้าก็รีบหน่าสาสทานูเสียงสนั่นหัวตัวดาวติบผาญาทอนเต้าดื่มคิงกันต่วงติ่งลูกใด <c oughs> กอน้อมใบขอข้ามาเจ้ากอลลาจากันแล้วสอดดันเตียวไปกอมีฮัมแน่น า, นาตาตานั้นตารังลำดับนั้นไหนาเจ้านอลาสินธนุใจลัดเตียวไปจะใจก่อไปรอดเมืองยักษ์ใหญ่สี่ตน มีรีปนอ่านหมื่นเขาแตกตื่นกันมาแล้วใครจหาหัดเท้าว่ามึงลวงดาวแดนตู่เป็นสัตวถูตัวกา <c oughs> ตัวจะฆ่ามึงตายยักตั้งลหลหนุ่มเท้าแวดล่อมเจ้านำนาไลากันมาละลาดพ่องถือนาดแท้แล้วเยาว ห่องเก็เป่าไม่ค่อนพ่องเอาก่อนหินผาควางตุ้มมาใส่เจ้าดังอดเอาอืดต้อเจ้าบุญหลือน้อยนาดก่อนยกวาดธนุยิงเสียงดังถิงมีกองสนันห้องดงดานยักษ์พี่มานหาเท้าสันยกเต้ากองกันกันว่าพันลูกใดก่อนน้อมใบขอขามา แล้วทุนสาบอกกล่าวฮือรูกข่าวต่างไปก็มีหันและนะตาโตปรารังทักแต่นั้นไปนาเจ้านอลาสินทนุใจรับดงงพรายจะใจนับอานได้หลายวันจริงไปหันภาสาตแห่งอนุราชยักขางามเหลือตาแต่ใสภาสัตใหญ่เจียง้านมีส่วนวิญญาณใหญ่กว้าง <c oughs> อยู่แววขคางดูดีดอกไม่มีลายลแลพงกีแพบบานงามแบบาม่เพิ่งจำเป็นหมู่บินสะสู่ไปมากินกันท่ารถเร้าหอมตัวเต้าดองตันเจ้าจอมควันนอ น, น้อยก็จริงก็เอยขึ้นไป พอดูในภาษาทันอนุราชยกขาดพงใส่ามาม่แหกางภาษาซอยไปบนเสียงมั่นคนคือคือเจ้าพอยือไปมาหันเต็มตาจูห้องวันละสองเรื่องไรแก้วสีใสเจ็ดสิ่งมีการหญิงกวรเมืองตั้งคำเหลืองหลายแหล่มีจูงแงผังกา ม่อสังกาสักญาตเป็นอนุราชขุนม่านนอผู้บ้านหันแล้วตนนอแก้วแสงไข่กำว <c oughs> ่าดูรายักษ์ดงดำป่าไม้มึงนี่ใสใจหานสั่งนอนนานแต่โสดจกขยโยดอันใดจุงเร็วไวอย่าจ้า กูมาตาจำลองยักปุ่มปองบอตื่นเจ้าคำหมือนบุญนาคกอไก่กาญวริญ่าจากภาษาเชียงคานเขาดงด้านปากว้างตามไฟอ้างเดิมอนน่อนนอผู้ทอนหิวหอดก่อไปรอดโบคารณีน้ำใสดีสะอาด หันถึงดาดดินทรายบัวเงินลายายทีดอกป้านกีซสอนร้อนดอกจังก้อนหลายแลบบัวคำแผดเดือตา <c oughs> มีปู่ป่าเนียงเนียวลาสอดเซียวปุนจมเจ้าอุดมหันแล้วใจพองแผ่เจยบาน ลงวังทานตาราปลอยเล่นอาบเย็นใจคัดสีไข้ล่างเหือบอรังเรือมือนนานพระผู้บานหนอเตา้ารีบฟังเฝ้าลานีจากโบคารานีน้องใหญ่ไปนั่งไตลุก ข, ขาอันมีชายารมกวางตีจิมขางวังทานเกาะมีฮันเลนา ตาตาในกาละนันไสยังมีนางนาถายกินนาร่เจ็ดนางมีหนุ่มเนาผู้ปีเก่าชื่อสุวรรณจิตตา <c oughs> เป็นที่ดางงามอาแตงเต้าที่ราดูตุมปอนอยู่สิงขรไกลาดมาด้วยอากาศไปบนตั้งเจ็ดคนปีน้อง ลงสู่ห้องวังทานนาตาบ้านหญิงแย้มสองฝ่ายแกมมีวันเข้าเอากันดีเต้นลอยละาเล่นวังใสดอกบัวไหวสาตานจุ่มดอกป้านเฟือนฟองเด็ดบัวต้องสว่งางแฮมเข้าหนับแกมจุมดวงเด็ดบัวดวงใส่เก้าลอยเล่นเหล่าไปมาตาวันดาต่ำก้อยเจ็ดยอดซอยกินนารี จิงจักนีกาภากออกไปจา ก, กวังทานนาตาบานจุวผู้จมจืนสูญดีเจดนารีน้อยนาดกอดแลสวาดเล่งหันยังจอมท่านนอไทยอันนั่งอยู่ไตรุกขามีกาญยาผ่องแผ่ว เราเลิดแล้อเหลือคนดังเทวบุตบนฝากฟ้าลงส่นาปทาวีเจ็ดนารีปีน้องตกสู่ห้องปิญญา <c oughs> จิงเข้าไปหาหนอเต้าแลอไข่ก่าวกำงามอาดูรจาใจรำปีเจ้าจักไตเต้าไปไหน อยู่เมืองดใดไต้ลาเป็นลูกเจ้าฟ้าราชาหรือลูกเสนานยศใหญ่หรือเตปป้าไทยแทลงเป็นหรือยักษ์เย็นหยาบ้ากับเป็ดนาะทแะถลงมาจุงคุณนะบอกเก่าคือรู้ข่าวตามีว่าอันเมื่อนั้นเจ้าเื่องจันหนอพุทธา ก็ใครจะบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายด้วยปาลีย้ายหลายแหล่ฮือแจ้งแก่เจ็ดนางกอมีหันแหลนาถ้าในกาลนั้นเล่าเจ็นดอนานารีซ้าไขวัติอ่อนอ้อยเสื่งเจ้าดอ้อยสินธนูใจ ว่าขอเชิญไปอยู่ห้องพระเตต้องเมืองตนที่คงบนภาษาสเดือเข้าไกลาดกิรีตนบุญมีน่อเนาก็ตันเล่ากำปไปว่าดูราสรีนองไวหนาดน้อยปีนี่ถอยสมพานเป็นคนสามานต์ตำไตขึ้นบ่อใดโดยจัน พี่จากพันซอไส้ดันป่าไม้ดงนาตัวหาออกเจ้าอันยักเทาดงดอนไปลักหล่อนมาไว้ที่จิมไกเขาอยู่กันทอนแม่นสรีบังอ้อนลูกเต้ารูด า, ดานดาวต่างไปคอจุงไข่เกาชี้ฮือแก่พี่ตามมีแดเตอ เมื่อนั้นเจด น, นารีปี่น้องตุกโกตองไปในเหตุสินธนูใจนอเนาบ่อไตเต่าจอมตอนใจเววนปันกว้างแสงเก่าอังกำไปว่ายักตาใสหยบาบจ่าเตจักกาสิงซาพดงนาป่าไม้ไผบ่อภาได้สักคนตัวสักคลแหลงลา ไพบ่ออาจคามันตตยแม่นปีหมยรบภาพกับยักยาบดงรีริดทีมีสั่งเล่าขอปีเจ้าจอมควันซ้ำแดงปันฮือทีเฮือเสียงตีสังกาดอปุทธติไว้ถอดดาบใดเร็วไว้ยกขึ้นไปฟันฟาดแก่งวัดวาดไปมา แสงต้อตามามาดังสายฟ้าสาราบทรณีเจตนารีลูกเต้าล้มลงเต้าติตาเก่ากำจาวนอ่อนว่าขออย่างก่อนปอเจ้าสอบบ่ดอไทยก่อนยังไววสรพันเจตนั่งหันแจ้งทีบอมีตีสงสัยจริงจักไข่ตานเก่า ว่าแม่นปีเต้า อ, องค์คำลัดดงดำป่าไม้ปะยัาากษ์ใหญ่กุมพันจักแป้มันแต่เราได้ออกเจ้าขึ้นไปสมดังใจไฟอ้างบ่อตกข้างดงนาเจ็ดกันยาหล่อเบาน้อมใบเจ้าบุญมีแล้วล่านี่ไปสู่ยังตี้อยู่แห่งตนก็มีฮั่นแตนะ่นา ต่อปารังแต่นันไปไปนาหนอเจ้าฟ้าสินทันดูใจก็เตียวไปบ่จอดอดหิวหอดรวยแรงตัดกำแพงบ่ขาดใจวาววาดเววาคันิ่งหาบ่แล้วยังนางนอแก้วกินนาร่แม่นบุญมีจวบใดยังอาไทยสมใจ เสียงจากไปจอมกว่าสาวนอฟ้าเจ็ด์นางเจ้าบนญความเจียงจันขึ้นสอดดันนานาลัดดงนาทองเถื่อนบ่มีเพื่อนเดียวปอยลางเต๋อขึ้นน้อยสูงใหญ่ลางเต๋อไต่ริมเหวลางเตืาเตียวป่าหญาลางเต๋อกว่าปงจำลางเต๋อกำกิ่งไม่เป่ายนใส่เครือวัน สดดองตันปากว้างมีต่างๆงนาหน้าแอวไปมาและเหลือนตังวัวเถื่อนกวา้างท่ายจั่งปังไปเป็นหมูแรดสู้อยู่เป็นจุม <c oughs> กว้างเข้างุ้มหมูป่าควายดงล่าเต็มไรตังมาไหนจิ้งจอกหัวงูหลวงออกลายคำมีคนดำหน้าแด่นลึงเป็นเล่นลงหู เมาโมตตัวนาบ่อยาบจารวีเจ้าบุญมีหนอไทยดันป่าไม่หลายวันจริงไปหันภาษาสูงขนาดปันว่าแห่งยักขาเพทเท่าใจกำเศร้าอา ร, รมผู้ไปนำอาไทยมาอยู่ไปแก้มันเจ้าเล่งหันรอดแล้วใจพองแผวเหลือล้หลจริงพันภัยเข้าไก ภาสัตว์ใหญ่มงก้นขึ้นไปบนไว้ว่องพอจุห้องผังกากาะหันอาออกเจ้านั่งอยู่เฝ้าภายในผิวขาวใสจะจ่อนเลือเกียงอ่อนสุขุมานนาตาบ้านยิ่งแย้มดังจางแตมหากกิศสนาเพียบเทวดาฝากฟา ลงแหลงลาแดนสวรรค์ตกดงตันป่าเศร้ามาอยู่เฝ้าหอใจกำสงสัยขาดเสียงว่าหญิงนี้เตียงเป็นอาพิจารณาทีแล้วเจ้านอกแก้วใสใจก็เข้าไปขับไปยังอาออกไทยสบ ป, ปันก็มีหันแหลนา เมื่อนั้นโซดันตาหยอดซอยหั น, น่อนน้อยใจรามรูปคิงงามสะอาดมาอภิวาตวันตากรรมสังกาเกิดตอง <c oughs> น้อยแห่งห้องหอราไทยจริงจะใครทำข่าวซึ่งนอเต้าใจารมบาดูราใจงามบ่เศร้า จากไต่เตาไปไหนอยู่เมืองใดมารอดนี้จุงเกาจี้ปันมาเป็นเสนา ย, ยดใหญ่หรือเป็นเต้าไทยนำปนหรือเทวาบุตรบนฝากฝ้ากับเป็ดนาทะาแหลงเป็นเรืออยากเย็นเป่าไม่กับเป็ดใดแถลงมา จุงใครจะบอกเราหฮือหัวเก่าตามีวานเมื่อนั้นสินทาดวใจหนอไทยจริงน้อมวบทุนสาใครขี่ยาเหล่าเก่าหืออาออกเจ้าจูผัาการก็มีหันเลนะ ธามทังประกาศเซนโตสัทธาสัทธาสัพ ป, ปัญญูอยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจิงแสงเตสนา ว, ะทะว า, าทโคสตังติจษาดังนี้เป็นตนพิกเวดุราพิกุตั้งหลายอันเป็นสายอริยเจ้า ลกูกศิษย์เก่าสับ ป, ปัญญูส่วนนางบุญจูนเนางามบ่อเศรุนันทาหันปุริษาอ่อนน้อยน่าจีนจ้อยเรีวรามละคานางงามองค์อาจขึ้นภาษาศตรมหาแล้วทุนสาขับไปนา่งนาท้ายชมสี สังกามีลายลากว่ากูนี่ผาเวียงใจมาอยู่ในปงป่าเมืนนานกว่าสิบปีไผบ่มีมารอดภาสัตย์ยอดหอใจห่นตั้งไก่ลิ้วโลดสัตว์ไ ร, รหดนำนาตั้งยักคายาบเจ้าละสอดป่าตั้งวัน กันเข่าหันต่อหน้าย่อมกับก่าเอากินคนเตียวดินลุมไตบ่ออาจใ ด, ดมาเติงเม่นมีเจิงก็แล้วบ่อกาดแกว้วความหมายเตียนย่อมตายความนาตีกลางป่าดงตันอสัจจันต์แต่เหล่าใจหนุ่มเน่าเร่วราม ลาคานางงามองอาจมาถึงภาษาตนกู้กวนถามดูคือแจงนางจิงแสงจะถามว่าดูราใจรำหนุ่มเนาตัวแห่งเจ้าเจือสันได้ยินมีใจขิงของจิจตเจตองสั่งจ้าอยู่ปาระดานดาวคงเขตเต้าเมืองใด จากไปไหนมารอดนี้จุงเกากีมาปันหรือคุณสวันอยู่ฝ้ากับเป็ดนาถาแหลงเป็นหรือยักษ์เยนบ่ไปกับเป็ดใดถะแหลงมาหรือเป็นนาคาขุดใหญ่กับเป็ดใดเป็นคนขึ้นมาบนภาษาสแห่งขานาดสังจา ว่าอันเบื่อดนั่นดอพุท ธ, ธาตันไทยกอ น, น้อมใบทุนสาไขขีนยาบอกเล่าืออาออกเจ้าจูผัการ <c oughs> ว่าข้าเป็นลานขินไทยอยู่เมืองใหญ่ปัญจาละนากรพระผู้ทนเจ้าฟ้าเป็นเจ้าฟ้าภาปรา เจอพญากุศลญาสะอาดเลือไกลเป็นใสใจปีเก้าแห่งอาออกเจ้าดีลีตัวขามีจื่อไว้ว่าเจ้านอทัยสินถ้าดูใจเข้าดงไพรป่าไม่เหตุปอใจจำมาตัวเอาอาเป็นเจ้าปิกปอกเตาเมือเมืองอาอย่าเคืองโคตรกาจุงปอกหนาเร็วไว้แดดเตอ เมื่อนั่นนางสู้นันตานอนเนาฟังคำเจ้าใครจะสมมานชาจาเจินจ้อยจริงตอบทอยคำไปว่าจุงเร็วไว้อย่าจ้าปิกปอกนาเร็วปันปูกุ่มพันยักษ์เทาลับอยู่เฝ้าไปในสามปีในจริงตื่นอย่าได้ลื่นละสา มันมันลุกมาป่าใส่ลานเก็นไทยเตียงเมื่อมอหนอผู้ทอนต้านต่อว่าลาด น, น้อยหนอใส่ใจบอ่อขัวไัยสักผู้ก้าอันอยู่เมืองคนยากใายสนป่าไม่รบภาพใดหลายปันหมอกลุ่มพันอยากเทาบ่อตัวเ ก, ากว้าบ่กขัวเต้าปายคนและนะ สูนันตานัดน้อยใดยินถอยกำลานมีใจบ้านจืนสูรีบเข้าสู่ไปในเก็บขัวใบเขื่องใจปกปันไว้ดูดีเผื่อจักหนีเมื่อสูยังที่อยู่เมืองคนก็มีวันนั้นและนา เนีิตังกียาสังวันนานาวิเศษจาหองเหตุสังสินธนใจฝูกทวนแปดก่อบังคุมสมร็ตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลว